ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องความหมุนเวียนแห่งกรรมโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้สแสดงธรรมไว้เมื่อวันที่17กรกฎาคม2549ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังพระสูตรพระสูตรหนึ่งนะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15ทุทติยสังคามมวัตถุสูตรข้อที่375เป็นการพูดถึงความหมุนเวียนแห่งกรรมกรรมกรรมที่วิบากกรรมเนี่ยแหละ อันนี้นี่พระพุทธเจ้าท้ามีตรัสถึงผู้จะแย่งชิงเขาได้ก็ชั่วเวลาที่ยังพอแย่งชิงสำเร็จได้แต่เมื่อใดผู้อื่นเขามาแย่งชิงบ้างเมื่อนั้นผู้แย่งชิงก่อนย่อมถูกเขาแย่งชิงกลับเพราะคนพานสำคัญว่าแย่งมาได้เป็นสุข บาปเท่าที่บาปยังไม่ส่งผลแต่บาปส่งผลเมื่อใดคนผ่านย่อมเข้าถึงทุก์เมื่อนั้นข้อความยังไม่หมดนะแต่เอาแค่ตรงนี้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสถึงถึงการแย่งชิงนี่แหละแย่งชิงนี่ก็นึงก็อยากได้ นะสองก็อาจจะโกรธนะอาจจะโกรธเกลียชังลิษยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแย่งชิงเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยพรเจ้าท่านตรัสถึงไม่ว่าในโลกเนี้ยใครก็ตามไปแย่งของคนอื่นเข้ามาแย่งนี่แสดงว่ามันมันไม่ใช่ได้มาโดยธรรมนะแสดงว่าได้มาโดยการอะไรอะ่ะกลม ค, บคูบังคับ แย่งชิงหรือว่าบีบคั้นหรืออะไรก็แล้วแต่แลละที่จะคดโกงหรือจะทุจริตอะไรก็แล้วแต่โดยทางอากุศลแล้วก็ทำให้ได้มาอย่างเงี้ยพรเจ้าท่านยืนยันเนี่ยเนยเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของความหมุนเวียน แ, แห่งกรรมหมายถึงว่าถ้าไปแย่งเข้ามาแล้วคนนั้นเป็นหนี้ทันทีเลยว่าหนีไม่พ้นว่า คนนั้นก็จะต้องโดนแย่งเหมือนกันแต่จะโดนโดนแย่งของอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเราไม่รู้เพราะว่ากรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรนะไปแย่งดินสอเข้ามาก็โดนแย่งดินสอคืนมันไม่อย่างนั้นนะบางทีเราไปแย่งอะไรอะ่ะดินสอเข้ามาเขาอาจจะแย่งอะไรฮนะอ๋อเปลี่ยนไปประกาอเลยนะเขาอาจจะแย่งอย่างอื่นก็ได้ แย่งอะไรอ่ะบางทีเราเกิดมีข้าวของอะไรวางไว้ใช่ไหมเขาไม่แย่งดินสอหรอกเขาอาจจะแย่งมือถือคุณเลยอ่ะ <c oughs> อมันเป็นการแบบแก้แค้นเป็นการอะไรอ่ะก็ทำตอบซึ่งซึ่งพูดง่ายว่าเหมือนกระจองเวรเงี้นั้นแหละเพราะพระพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยตรัสว่าถ้าไปแย่งใครเขาไวเนี่ยหนีไม่พ้นว่ายังไงก็จะต้อง มีวิบากกรรมที่จะต้องใช้คืนคือต้องโดนแย่งกลับคืนเหมือนกันแต่สิ่งสาคัญที่ทําไมคนยังชอบแย่งอยู่ที่ยังยอชอบแย่งอยู่เพราะว่าเมื่อไปแย่งเข้ามาได้เนี่ยมีความสุขนี่นทิฏฐิหรือว่าความคิดแบบแบบคนมีกิเลสนะนะเพราะฉะนั้นตอนไปแย่งเข้ามาได้เนี่ยมีความสุขหนึ่งก็คืออะไรอะ สมน้ําหน้าสมน้ําหน้าไอาคนที่โดนโดนเราแย่งมานะอ่าสก็คือว่าได้แก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยสก็คือว่าอ่าได้มาก็ถ้าเป็นเงินก็อาจจะมาซื้อข้าวของเอามาใช้จ่ายมาอะไรใช่ไหมก็รู้สึกมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่คิดอย่างเงี้ยคนที่รู้สึกอย่างเงี้ยถึงได้ชอบแย่งเขาอะไรก็ตามในโลกเนี้ยถ้าคุณคิดว่า ได้มาแล้วเป็นความสุขอะแบบโลกโลกนี่นะได้มาแล้วเป็นความสุขคุณก็ยังจะทําอย่างนั้นอยู่ต่อไปหรือว่าก็ยังอยากจะทําอย่างนั้นไม่ต้องไปแย่งอย่างอื่นนะแย่งของกินเขาได้ <c oughs> นะแย่งของกินมาได้โอ้ได้กินมีความสุขอร่อย <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะของที่บางทีเนี่ยได้มาเปิดเผยเลยนะ กินล้รู้สึกแหมไม่ค่อยไม่ค่อยมีรสชาติอะไรสักเท่าไหร่ถ้าแอบไปขโมยมากินนี่แหมรู้สึกว่าโอ้โห อ, อ, อร่อยแล้วก็มีรสชาติเหลือเกินเป็นซะอย่างนั้นน่ะนี่ น, น, นี่นี่เปรียบแบบง่ายๆนะไอ้ที่เขาเปรียบหยาบก่อนที่ก็มีเขาเปรียบไปถึงหยาบเรื่องกามเรื่องผู้ชายผู้หญิงเนี่ะเขาบอกว่าแม้ถ้าถ้าสมมุติว่า ผู้หญิงไปได้ผู้ชายหรือว่าผู้ชายไปได้ผู้หญิงโดยที่ได้มาง่ายๆอะ่ะใช่ไหมคือคือคื อ, คอยินดีด้วยกันเนี่ยไม่ต้องไปแย่งเข้ามานเนย่เก็รู้สึกว่าได้มาก็งั้นแหละแต่ถ้าไปแย่งเข้ามาได้นี่รู้สึกแหมรักจังเลยร <laughs> ักจังเลยจะเป็นอย่างนั้น่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าตาบใดเนี่ยใครยังมีสภาวะจิตแบบนี้คนนั้นจะเลิกไหมไม่เลิก เพราะยังโมหะยังหลงผิดคิดว่าต้องได้แบบนี้มาได้มาโดยทุจริตได้มาโดยแอบได้มาขมโมยมาแย่งเขาได้มาโอ้มีความสุขเพราะในสังคมทุกวันนี้คนที่ยังสร้างบาปสร้างเวรสร้างภัยต่างๆเขาถึงยังทำกันอยู่เพราะเขาคิดว่ามีความสุขแต่ถามว่าเขากลัวตารวจไหมละ่ะเขากลัวจะโดนจับไหม คุณว่าเขากลัวไหมอันนี้กลัวก็กลัวแล้วทำไมยังทำอะ่ะ <c oughs> กลัวแล้วทำไมยังทำบางทีเขาใช้อีกคำว่าอ๋อก็เสี่ยงเอาเนเสี่ยงเอาทำไมถึงใช้คำว่าเสี่ยงเสี่ยงก็คือว่าถ้าเขารอดใช่ไ้ยเขาไม่โดนจับโอ้โหเขารวยเลยอะ่ะหรือเขาได้ได้ยดสักได้ฐานะได้ตำแหน่งได้อะไรไปเลยเพราะนั้น เขายังเห็นไอ้ความสุขที่จะได้มามากกว่าติดคุกติดตารางมากกว่าโดนยิงตายใช่ไหมเขายังคิดว่าไอ้ที่จะได้มาเป็นความสุขเหนือกว่าเขาถึงเสี่ยงไงคนเราเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้ผลที่จะได้รับมาเนี่ยมันน้อยอะ่ะเขาจะเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงเขาถือว่าไม่คุ้มค่ากับการเสี่ยงมันเขาจะไปเสี่ยงทำไมมันไม่คุ้มอยู่แล้วอะ่ะ เพันเขาไม่เสี่ยงหรอกเพราะ้ให้เห็นนั่นเนี่ยให้ให้เราตรวจสภาวะจิตมาของจิตใครก็ตามที่ยังคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยเพราะนั้นเขาถึงกล้าทำรรไงเขาถึงกลายเป็นไม่กลัวโดนจับไม่กลัวโดนยิงตายไม่กลัวคนจะเกลียดชังอะไรก็ไม่กลัวหรอกถ้าเขาทำได้ก็ถือว่าเดี๋ยวเขาได้รับความสุขแน่นอนเพราะโมหะอย่างนี้แหละหรือกิเลส ต, ตัวนี้แหละ ที่ทำให้คนถึงบ้าบินบ้าบอ <effectivement> ทำยังไงก็ได้หรือแม้แต่เอาเอาพวกเ น, เนี่ยเห็นบอกจะมีไอ้ประกวดนางสาวไทยอะไรอีกแล้วใช่ั้มใช่ปะเห็นเขาประกาศ Isso. อยู่หรือเปล่าไม่รู้สิอาตมา ก, ก็จะยิน well well แ<บ>ว่แววเท่านั้นแหละเพราะนั้นขเขาก็กล้า <observing> ใช่ั้มที่จะไปประกวดบางทีจะให้แต่งอะไรล่ะ วั e พีซ p i พ c e ชิ้นเดียวหรือสองชิ้นยังไงเขาครับกล้าแต่งได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าโอ้โหถ้าเขาได้เป็นนางงามหรือว่าเขาได้มงกุดใช่ไหมโหคนมาถ่ายเขามีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยรักใครชอบพอนั่นแ่ละเพราะนั้นเขาก็เต็มที่อ่ะส่วนใครจะว่าเขาอะไรอ่ะโอ้หน้าไม่อายใครจะว่า มาโชว์ส่วนสัตว์ใครจะว่าอะไรก็ไม่แคร์หรอกก็ไม่สนใจอะยิ่งพวกอะไรอ่ะพวกที่ถ่ายนู๊ตอ่ะถ่ายภาพเปลือยอ่ะถ่ายโป้ะอะไรพวกนี้เห็นไหมมึงทีกล้าถ่ายถ้าตำรวจไอ้ถ้ากฎหมายไม่มีนะโอ้มันถ่ายยิ่งกว่านี้แล้วไอ้นี่มันสังคมอ่ะคนที่ยังเป็นคนดีในสังคมคนที่มีศีลธรรมอหรือคนที่มีาศาสนาเขายังดําหนิเขายังอะไรใช่ไหย เออพวกนี้ก็ยังบางทียังเอออายอายบ้างกลัวกัวบ้างกลัวโดนด่าบ้างกลัวโดนว่าบ้างวันเขาก็เลยพูดง่ายว่าก็ยังทํานะไม่ใช่ว่าไม่ทําแต่ก็พูดง่ายว่าก็ทําแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะโดนด่าน้อยหน่อยโดนว่าน้อยหน่อยแต่ไอสิ่งที่จะได้มาเขาคิดว่าเป็นชื่อเสียงเป็นราบสารเสริญเป็นอะไรที่เขาจะได้มาเขาเสี่ยง เขาเอาก็ททำเนี่ยทำนองนี้แหละพูดให้ฟังเพื่อที่จะให้เห็นว่าบางทีเราเองคนนี้ย้อนมาที่พวกเราเองพวกเราบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเออเรายังมีเชื้อพวกนี้อยู่บางเรื่องเนี่ยถ้าถามเราว่ารู้ว่าดีหรือว่าไม่ดีเออไม่ค่อยดีอะเราก็รู้อยู่ว่าไม่ดีถามว่าทำไปแล้วเนี่ยจะโดนด่าไหม ยิ่งอยู่ในหมู่สังคมของนักปฏิบัติธรรมนี่นะถามว่าจะโดนด่าไหมโดนแง่รู้เลยนะแต่บางทีก็ยังอดใจไม่ได้เลยเพราะเพราะเชื้อนี่มันมีอยู่อดใจไม่ได้ที่บางทีแอบทํามั่งยังรอบทํามั่งแม้ว่ามันไม่ใช่ความผิดหยาบใหญ่โตอะไรจนเกินไปนัก น, นะแต่ก็ยังกล้าทาเพราะจิตที่เป็นกิเลสอยู่เนี่ยมันยังมีอานาจ มันยังมีอะไรอ่ะมีมีการครอบงำมีมีพลังที่จะพูดง่ายว่าโน้มน้าวจิตเราหรือว่าครอบงําจิตเราให้จิตเราเนี่ยยังเห็นว่ามีความสุขอยู่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่ทําให้ยังทํายังทําอยู่ แม้ว่บอกแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องอายาเรื่องใหญ่โตอะไรนะักแต่เรารู้เลยและเราก็ยังทำต่อเมื่อเมื่อใดที่เราเนี่ยคิดว่าโอ้โหไม่คุ้มแล้วทำไปนี่ไม่คุ้มกับโดนดา่าไม่คุ้มกับทุกข์ที่กเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยต่อให้คุณแปะไปทำยังไงอะ่ะกูจะมีสุขตอนแรกก็นั่นเองพอพอได้เสพตอนแรกอะ่ะุณจะสุข รถแอบไปกินไอติมอย่างเงี้ยคุณจะมีความสุขความอร่อยในตอนแรกแ ต, แต่พอได้กินไปสมใจเสร็จใช่ไหมอ้าวสมมติจะอิ่มแล้วก็จะเอาได้ได้เสพสมใจแล้วแต่เดี๋ยวคุณเริ่มแล้วคุณเริ่มทุกข์ละเพราะมันมันจะต่างจากจากคนโลกโลกที่ไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าพวกนั้นหยาบแล้วก็หนาเนี่ยปูถุชนเนี่ยกิเลมันหนาเพราะฉะนั้นพวกนั้นเนี่ยไม่ค่อยสํานึก ไม่ค่อยมีฮิลิโอตะปะไม่ค่อยมีความรู้สึกในในด้านดีงามเกิดขึ้นเมันเขาจะไม่ค่อยรู้สึกตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหนาเขาจะแบบว่าพูดง่ายๆพอสำนึกนี้จะขึ้นมาเนี่ยเขากบทิ้งหมดแหละ <c oughs> เขาไม่ให้มันโผล่เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีความละอายอะไรเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ไม่ละายนะบอกแล้วมันมีลาบยศเสรเสรสุกหรืออะไร ที่เป็นโลกีเนี่ยล่ออีกด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีความสุขกับสิ่งนั้นๆไปเลยมันจะเป็นอบายามุกจะเป็นอะไรที่เลวะไรเขากล้าทําทั้งนั้นแหละใครยิ่งหนาก็ยิ่งยิ่งกล้าทําเลวยมากๆแต่ตอนนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมบอกแล้วมันจะสุขตอนแรกครับเพราะเพราะว่าอํานาจกิเลสเนี่ยมันมันดึงเชื้อกิเลสเก่าที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยให้ให้แบบว่าอุ้ย อร่อยนะโอ้โหแต่ก่อนนี้กินอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะนั่นเนี่ยเราแอบแอไปอย่าให้ใครเห็นนะอย่าให้ใครรู้นะแล้วก็กินนั่นมองซ้ายมองขวาให้ดีแล้วก็แอ บ, บกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอ้กินไปตอนแรกอร่อยแต่พอกินมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็กลัวใครจะรู้หรือเปล่ามีใครเห็นหรือเปล่าเดี๋ยนี้เขามีติด ก, กล้องไว้แล้วนะไม่รู้กล้องถ่ายไว้บ้างหรือเปล่ากล้องอยู่ที่จุดไหนบ้างเนี่ย เอาแล้วอหัวขเขาเนี่ย ช, ชักทุกร้อนชักมีความรู้สึกอะไรอ่ะไม่สบายอกไม่สบายใจและถ้ามีมีสติที่ดีกว่านี้หรือมืหรือมีบุญวาสนาบา ร, รมีที่สะสมมาเอาไว้บ้างเนี่ยนะถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะยิ่งรู้สึกโอโ้ไม่ได้แล้วต่อให้ไม่มีใครรู้คุณเลยนะไม่มีใครรู้เลยนะว่าคุณไปแอบทําปิดทำพลาดอะไรมาแต่ คุณรู้ตัวคุณเองวพรนไหนที่สุดเนี่ยมันมันเดือดเนื้อร้อนใจเพราะใครก็ตามที่เป็นคนดีแล้วเนี่ยถ้าไปทำผิดอะไรไว้อะก็เรารู้อ่ะเพราะนั้นไอความรู้สึกผิดเนี่ยมันจะทิ่มแทงใจเราตลอดเวลาทิ่มแทงตลอดเวลาเลยทิ่มแทงตลอดเวลาเลยเพราะนั้นยิ่งนานวันยิ่งนานวันเนี่ยคุณจะยิ่งอึดอัดยิ่งโอโหทรมานพราะนที่สุดจะทนไม่ได้ นี่คือสภาวะจิตนะของของความทนไม่ได้ที่เราไปทำผิดไว้วพราะในที่สุดเนี้ยต้องเปิดเผยจะจะปกปิดต่อไปเนี่ยไม่ได้ในที่สุดก็ต้องมาเปิดเผยจะเปิดเผยกับใครเท่านั้นเองหรือหรื อ, ห ร, อหรือทางคริสเขาก็เรียกว่าสารภาพบาปอย่างนั้นแหละอะแต่ของพุทธก็เหมือนกันของพุทธก็ต้องมาเปิดเผยถ้าถ้าเป็นพระก็เรียกว่าต้องมาปรงอาบัต <c oughs> ก็ต้องมาโปรงอาบัตปรงก็คือคือทำให้ตกล่วงไปโปรงเนี่ยนะอาบัตก็คือความผิดราะต้องมาทำความผิดที่มีเนี่ยแหละมีอยู่ในจิตล้วเนี่ยแหละเพราะเราไปทำผิดมาแล้วเรารู้วันก็ต้องมาทำให้มันออกไปหมดไปเพราะถ้ามันไม่ออกไปไม่หมดไปนี่คุณก็จะทุกข์อยู่อย่างนั้นมันเหมือนกับ เป็นหนามแหลมเนี่ยแทงอยู่ในจิตคุณไม่แต่คาอยู่อย่างนั้นแหะคุณก็จะเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นน่ะยิ่งนานก็ยิ่งทรมานยิ่งเป็นน้องยิ่งกรัดในเพราะหนที่สุดไม่มีทางอื่นเลยสํานึกเนี่ยที่ที่พระเจ้าท่านใช้คำว่าฮิลิโอตาปไม่มีทางอื่นเลยคือต้องต้องถอนเอาหนามแหลมนี้ออกไปเพราะตราบใดไม่ถอนออกคุณก็เจ็บอยู่อย่างนั้นทรมานอยู่อย่างนั้นเพราะมีอยู่อย่างเดียวคือต้องผ่าตัด ต้องเอาน้ํานี้ออกไปเอาเซียนนี้ออกไปนะเซียนหัวใจอันนี้ต้องเอาออกไปให้ได้ถ้าเอาออกไปได้แล้วถึงแม้จะเจ็บปวดยังไงนะคราวนี้พอเอาออกไปได้แล้วก็โอ้โหรู้สึกเบาขึ้นมาทันทีสบายขึ้นมาทันทีซึ่งอันนี้เราก็เรียกฮิลิโอตาปะเราเรียกว่าสํานึกดีที่บางทีเนี่ ย, เ, ยเราใช้ปฏิสันพานธกัน ที่พอท่านใช้คํานี้ขึ้นมาว่าอ่าปฏิสันทานกันก็ใช้คําว่าสํานึกดีนะจริงๆก็ก็คือกระตุ้นต่อมของความดีที่ที่ยังมีอยู่เนี่ยให้แบบว่าเอยเออทํําเอทาไมเจอกันต้องมาบอกให้สํานึกดีทําไมต้องมาบอกให้สํานึกดีมีเมือนกันใช่ใชไหมบางคนก็อ๋ออะไรอยู่ดีก็มาสํานึกดีเอ้ยเราไปทําผิดอะไระเราไม่จะผิดอะไรทั้งหน่อยอยู่ดีเจอหน้ากันมา ปติเสนฐานแบบสํานึกดีแทนที่จะเจริญทำแทนที่จะอะไรนะบางคนหนักกว่านี้อีกจเจริญอภัยอย่างเงี้ยอะไรเจอหน้ากันเราเราไปผิดอะไรแหมต้องมาให้อภัยต้องมาอะไรกันด้วยเหรอเออแต่จริงจริงสิ่งเหล่าเนี้ยคําพวกเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกเราที่ทําให้เราเนี่ยบางทีอ่ะยิ่งยิ่งเจอไปผิดอะไรมานะสะดุ้งเฮือกเลยนะใครมาอะไรโดนนั่นนะโอ้โหสะดุ้งเฮือกเลยอะ เฮยนี่เขารู้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่ทำอะไรมาอันเนี้ยเพราะว่าโดยโดยการปฏิบัติธรรมที่ถูกทิศถูกทางของาศาสนาพุทธแล้วเนี่ยมันปกปิดไม่ได้ท่านถึงใช้สำนวนอีกสำนวนว่าไม่มีความลับในโลกไม่มีความลับในโลกเพราะเรารู้ดี <c oughs> <c oughs> มีคนคนหนึ่งที่รู้ดี คนคนนั้นคือเราคือตัวเราเองเนี่ยที่รู้ดีวันปิดได้ยังไงปิดตัวเราเองได้งไงมันปิดไม่ได้เวันคนที่ที่เขาเรียกว่าเข้ากระแสแล้วเนี่ยมีจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคําว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องถูกตรงแล้วเนี่ยนะคุณเบี้ยวไม่ได้เลยคุณเบี้ยวตัวเองไม่ได้คุณเบี้ยวจิตของตัวเองนี่ไม่ได้ เพราะนั้นมันต้องซื่อตรงกับตัวเองอย่างหนีไม่พ้นเลยด้วยเพราะพอสัมมาทิฏฐิปับ๊บคุณทันทีเลยคุณหมดสิทธิ์ที่จะโกหกตัวเองอีกต่อไปถ้าคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนอกจากคุณยังมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเองคุณถึงยังโกหกตัวเองอยู่ได้แต่ถ้าเข้ากระแสแล้วเนี่ยถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิจริงแล้วทำผิดอะไรมา รับรองได้เลยแม้แม้ไม่พูดไม่บอกนะแต่ถ้าใครมาถามอย่างนั้นน่ะคุณปฏิเสธไม่ได้เลยถึงไม่พูดยังไงเนี่ยคุณก็จะไปโกหกนะบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ละจะจะโกหกไม่ได้เพราะบอกแล้วว่าโกหกตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉนันจะมีความซื่อต่อตัวเองเพราะฉะคนสมัยโบราณเนี่ยเวลาไปทําผิดหรือว่าแม้ผิดเล็กผิดน้อยอะไรมาก็แล้วแต่บางทีพอ เพื่อนภิกษุถามอะไรห ร, หรือผู้เจ้าท่านตรัสถามว่าเธอไปทาผิดอย่างนั้นมาใช่ไหมไม่มีเลี่ยงเลยไม่มีหลบไปเป็นอย่างอื่นก็ตอบตรงๆนอกจากคนกิเลสหนาใ น, ในสมัยก่อนนั้นเท่านั้นเองนะที่ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกิเลสหนามาเพราะนั้นมาบวชอย่างเงี้ยแต่บวชแล้วยังกิเลสหนาอยู่เพราะนั้นพอผู้เจ้าถามนะ่ะเอออย่างเงี้ยจะโกหกได้แต่ถ้าบอกแล้วถ้าเข้ากระแสถ้ามีสัมมาทิฏฐิ มีฐานเข้าสู่โสดาบันได้หรือเข้าสู่อะไรได้อะตำกโสดาบันมาคืออะไรเออโคตรพูบุคคลเนี่ยโคตรพูบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่มีสัมมาธิทีิได้แล้วแม้ว่าอาจจะบางทียังปฏิบัติไม่ได้ทีเดียวนักนะแต่จิตวิญ ญ, ญาณเนี่ยซื่อสัตย์ซื่อตรงล่ะเพราะฉะนั้น ถึงถามไปเนี่ยนะไปทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้มันใช่ไหมตอบตามตรงไม่เบียวเบี้ยวไม่เลี่ยงเลี่ยงไม่หลบๆลบให้คนเข้าใจเป็นอย่างอื่นละไม่มีเพราะนั้นตอบตามตรงแม้ว่าบางทีตอบไปแล้วเนี่ยโอ้โหอาจจะซวยนะอาจจะต้องโดนลงโทษอาจจะต้องเจ็บปวดนะก็ต้องตอบตามนั้นไม่มีทางอื่นเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าในชาติไห น, ไหน ที่ท่านที่ท่านฝึกผลแล้วท่านท่านบำเพ็ญมาเพื่อที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งในศีลห้าข้อเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่ 4. สี่ศีลข้อที่สี่เนี่ยไม่ว่าชาติไหนท่านก็ไม่มีการทําผิดศีลข้อที่สี่แม้ว่าบางทีเนี่ยโอ้โหจะเลวร้ายจะอย่างนั้นจะอย่างนี้นะหมายถึงว่าบางชาติเป็นโจรก็มีนะของ อ, อดีตชาต ในในชาดกเนี่ยของอดีตชาติบางชาติเนี่ยเป็นโจรอดีตชาติของผู้เจ้าจะเป็นโจรแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นด้วยนะถึงขั้นอย่างนั้นถ้าจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกไปฆ่าฆ่าผัวเขาเออรู้สึกจใช่ฆ่าผัวเขาแย่งเมียมา รู้สึกจะอย่างนั้นนะถ้าถ้าถ้าถ้าเรื่องไม่ผิดนะจะมีอยู่ชาติหนึ่งมั้งที่ที่ที่จำพอจะจําได้จะเป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเวลาพูดเวลาอะไรก็พูดตามตรงพูดตามจริงไม่ไม่โกหกหลอกลวงเสร็จแล้วปรากฏว่าตาหลังเนี่ยได้ไ ด, ได้ได้ผู้หญิงมาเป็นเมียตอนตอนชาติที่เป็นโจรนั่นน่ะได้ผู้หญิงมาเป็นเมีย เสร็จแล้วตาหลังเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ดีหรือไงโกหกตาหลังอ่ะเลยฆ่าผู้หญิงคนนี้ทิ้งเลย ถ, ถ้าจำไม่ผินดนี่นะทำนองนี่แหละเา้าเขาทำนองนี่แหละอาจจะไม่ตรงทีเดียวนัก น, นะแต่เนื้อเรื่องจะเป็นทำนองนี้อันนี้เนี่ยพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรา เ, เข้าใจในเรื่องของที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนพานสำคัญว่า แย่งมาได้เป็นสุขตราบเท่าที่บาปยังไม่ส่งผลแต่บาปส่งผลเมื่อใดคนพ่านย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้นคือคือนั่นแหละตอนยังโมหะอยู่เนี่ยก็หลงไปเพราะมันก็ทำความผิดอย่างนั้นไปเพราะคิดว่าเป็นความสุขแต่จริงๆแล้วบาปทั้งหลายที่ทำไม่ได้เป็นความสุขเลยบาปทั้งหลายที่ทำล้วนเป็นความทุกข์ แต่คนโมหะเนี่ยคนที่หลงผิดไปคิดว่าเป็นสุขต่างหากล่ะเหมือนอย่างสมมติว่าเนี่ยอ่าสมมติว่าอะอะไรอ่ะบางคนไปเป็นชู้เขาได้อย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งเป็นชู้คนนั้นเป็นชู้คนนี้ได้ฮนะไม่มีใครรู้เรื่องเลยตัวเองไปแอบเป็นชู้ได้ยิ่งยิ่งพวกผู้ชายอะนะแหมไปเป็นชู้กับเมียคนนั้นได้คนนี้ได้อะไรโอ้โหบางทีางมาคุยแบบ โอ้โหยอดชายเลยนะกายเป็นยอดชายเลยนะแหมแน่เหลือเกินคนนี้โอ้โหผีมือแน่ไปหลอกคนนั้นก็ได้หลอกคนนี้ก็ได้นั่นแหละแล้วเขาก็คิดว่าเขามีความสุขเหลือเกินแต่โดยสัจจายโดยความจริงแล้วนั่นน่ะจริงๆเป็นบาปกรรมบาปกรรมไม่ได้เป็นสุขนะบาปกรรมเป็นทุกข์เพียงแต่ว่าทุกข์เนี่ยเดี๋ยวมันจะตามมาช้าหรือตามมาเร็วเท่านั้นเอง เพราะวิบากกรรมเคยปู้ยฟังแล้วมันมีอยู่สามลักษณะคือหนึ่งส่งผลในทันทีทันใดสองคือส่งผลในชาตินี้แต่ไม่ได้ทันทีทันใดอีก5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่แต่ส่งผลในชาตินี้สามก็คือส่งผลในชาติหน้าไม่รู้แหละจะชาติหน้าชาติไหนก็แล้วแต่อย่างเงี้ยกรรมมันส่งผลซึ่งให้เห็นวาจริงๆกรรมมันเป็นทุก ไอ่บาปเนี่ยเป็นทุกข์แต่คนไม่รู้ก็ก็พูดง่ายๆว่าเอาเปลือกอะเปลือกว่าเออได้มานี่เป็นสุขแต่ไอ้ตัวจริงของบาปเนี่ยทุกรออยู่ไปร้องเพลงนะไม่ใช่อะไรนะบ้านอะไรนะกลับบ้านกลับบ้านเรารักรออยู่สุขรออยู่อะไรเงี้ย ไม่ใช่เลยอันนี้เนี่ยทุกรออยู่นั่นเนี่ยพระเจ้าท่านก็พยายามจะให้คนเข้าใจซึ่งมันยากนะอาตมารู้ว่ายากเหมือนกับบางคนเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆที่ใกล้ตัวดีกว่าคุณได้กินของอร่อยเนี่ยคุณว่าโอ้โหสุขได้สะใจใช่ไหมเอาเอาง่ายๆคุณว่ามีความสุขได้สะใจอะได้กินของอริอร่อยแต่ไม่ใช่ความจริงมันทุกข์แต่คุณจะเห็นได้หรือเปล่าว่ามันเป็นทุกข์เนี่ย คุณจะเห็นได้หรือเปล่าตรงเนี้เพราะถ้าตาบดายคุณยังเห็นไม่ได้ไม่ไม่ได้ด้วยยานเนี่ยไม่ได้ด้วยปัญญาเนี่ยรับรองครูก็ยังต้องสัตว์ของอร่อยนั้นอยู่เรื่อยล่ําไปก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นอนะ่ะไปนานตราบเท่านานที่ที่คุณยังยังมีจิตที่ชอบอย่างนั้นอยู่ยังยินดียังพอใจอย่างนั้นอยู่แล้ว เรื่องอะไรจะเลิก อ, อ่ะก็มันเป็นความสุขอะเรื่องอะไรจะเลิกเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าเลิกต่อเมื่อขาวนี้แหละพอคุณมาเริ่มฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าใจนี่สิคุณเริ่มเข้าใจเห็นเป็นทุกข์ละเพียงแต่จะเห็นได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองขาวนี้แหละที่คุณเคยกินอริอร่อยมาคุณเริ่มชักเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อหัดงดหัดเว้นบ้างละเริ่มหัด นั่นแหละกูเริ่มเริ่มชักจะเห็นเป็นทุกข์ได้ถึงได้มายอมไงเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกได้เลยว่าตาบใดเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่เห็นมันเป็นทุกข์ได้บ้างเลยเนี่นะไม่มีปัญญาเกิดขึ้นบ้างเนี่ยให้ตายยังไงเรื่องอะไรอ่ะจะมาฝืนมาอดมาลดมางดมาเลิกทําไมโง่เปล่าๆเพราะจะไม่ยอมทําต่อเมื่อนเนี่ยแหละเราเริ่มเข้าใจเราถึงเออ ค่อยๆเริ่มเริ่มเ่มฝึกแม้ว่าบางทีไม่เก่งนักอะ่ะนะให้ให้งดเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้ก็เริ่มอ่ะจากอะไรจากก๋วยเตี๋ยวสามชามอาจจะเหลือสักสองชามจากสองชามอาจจะเหลือสักชามหนึ่งอ่ะชามหนึ่งอาจจะอะไรกินแต่น้ําก๋วยเตี๋ยว <laughs> ไม่ต้องเอาเนื้อก็ได้ <laughs> ขออยังไงก็ขอเอามีนะ บางคนตั้งตบาบะไปแล้วใช่ไหมไอ้ตั้งตบาบะว่าไม่กินขนมเนี่ยนะของอร่อยของที่ตัวเองชอบอะ่ะโอ้โหอุตส่าห์ละตั้งใจแล้วก็สู้แล้วก็งดได้จริงๆด้วยตัวเองก็ไม่กินละแต่ยังไงรู้ไหมยังอดไม่ได้ไปซื้อให้คนอื่นเขากินแหม้ราเห็นเขากินแล้วก็โอ้พอใจอร่อยใช่ไมอร่อยใช่ไห ม, ออไหม <c oughs> โอ้อยางงี้ยังมีอยู่เลยอะ่ะ ถึงแม้เห็นว่ามันมันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่หยาบมันไม่หนักเหมือนเดิมแล้ว่ะแต่มันก็ยังมีเชื้อพวกนี้เหลืออยู่ยังพอใจได้เลยหรือเหมือนอะไรอ่ะที่พ่อท่านชอบเอามาพูดบ่อยอ่ะเออไม่เห็นหน้าแฟนเห็นลังคาบ้านก็ยังดี <c oughs> แค่เนี้ยพอใจนี่เนี่ยคือสภาวะจิตที่มันมันอนั่นทาั้งนงาันเลยถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยเราจะค่อยๆเห็นเสษเห็นเชื้ออะไรที่มันเหลืออยู่เนี่ยว่าโอ้โหดูสิ นี่มันยังติดมันยังยึดมันยังหูกหอบผัวมันยั ง, ลงหลงไหลขนาดนี้เฉลือถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้คุณจะเริ่มเห็นทุกข์ชัดขึ้นโอ้โหที่มันทุกข์แท้ๆเลยทําไมอะเรายังจะต้องมาอะไรอาวอนมาเสียดงเสียดายใช่ไหมทําไมจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณถึงจะค่อยๆเห็นทุกข์พวกนี้ขึ้นมาไอ้ที่มันเหลือพวกนี้แหละเห็นพวกนี้ขึ้นมาอีกคุณจะ อะไรอ่ะยิ่งอยากให้มันหมดไปเพราะถ้าสลัดพวกนี้ทิ้งไปได้หมดไปได้คราวนี้คุณจะยิ่งพบอาการที่มันนี่แหละที่บอกว่าว่างว่างจากความอะไรอวร น, นั้นว่างจากความหลงไหลในสิ่งนั้นว่างจากความติดยึดในสิ่งนั้นได้โอ้โหมันเบาอย่างนี้นี่เองมันปลอดโปร่งมันโล่งอย่างนี้นี่เอง